สุตตะทรณะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ทรงสุตตะเก้าสิบหกภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำห้าประการเสอานาปานาสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอากุปธรรมทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีทุระน้อยมีกิจน้อย เลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิต 2. เป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง 3. เป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ 4. เป็นผูหูสูรทรงสุดตะสั่งสมสุดตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งทาทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้น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 เสภานาปานสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรร ล, ลุอากุปธรรมสุตตะธรณะสูตรที่หกจบ